ธรรมะจากพระผู้รู้บทความถามตอบปัญหาธรรมะในง่ายการปฏิบัติที่เน้นไปในทางดูจิตดูกายซึ่งเป็นการปฏิบัติธรรมที่ตรงทางเรียบง่ายทําได้ในชีวิตประจําวันอธิบายด้วยศัพท์ที่เข้าใจง่ายทันสมัยโดยพระอาจารย์ปราโมดปาโมชโชพระผู้รู้ที่คุณดังตรินและคุณทิตินาศผู้เขียนเข็มทิศชีวิตให้ความเคารพและศรัทธาเป็นอย่างยิ่งนะครับการปฏิบัติที่แท้จริงคืออะไรง่ายแค่ไหน ที่ทำอยู่ผิดหรือถูกหลากหลายปัญหาที่นักปฏิบัติสงสัยหาคำตอบได้จากคอลัมน์นี้ติดตามดาวน์โหลดเสียงเทศนาธรรมและอ่านหนังสือของหลวงพ่อปราโมทได้ฟรีที่ว i มุตติ n e t w m u ต t n e t